สนิทใจได้ด้วยธรรมสายสัมพันธ์ในธรรมของท่านมิได้จำกัดไว้ในหมู่บรรพชิตเท่านั้นมีครวาดจำนวนมากที่สนใจประพฤติ ป, ปฏิบัติธรรมและสำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นจริงจัง ไม่ว่าเพศภูมิใดย่อมประจับผลแห่งธรรมภายในใจขึ้นเป็นลำดับลำดับไปนักภาวนาหญิงหรือชายนั้นจะให้ผลแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรหลวงตาเคยให้เหตุผลว่าการปฏิบัติไม่มีเพศเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วไม่มีเพศ เหมือนกับกิเลสไม่มีเพศมีได้ด้วยกันทั้งนั้นความโลภก็มีได้ทั้งหญิงทั้งชายความโกรธความหลงราคะตัณหามีได้ด้วยกันมัชฌิมาปฏิปทาจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายเป็นเครื่องแก้กิเลสทั้งหลายแก้ได้ด้วยกันทั้งนั้นด้วยอำนาจความสามารถของตนแล้ว มีทางหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เองเมื่อโอกาสอำนวยท่านจะไปเยี่ยมเยียนถึงสำนักผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านั้นเช่นสำนักฉีบ้านห้วยทรายของคุณแม่ชีแก้วเสียงลำ สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวงของอุบาสิกาคีนานายน์ในตอนนี้จะขอกล่าวถึงคราวที่ท่านแวะเยี่ยมสำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวงดังนี้ท่านเคยได้ยินคติศัพท์ชื่อเสียง ของคุณยายก็เขาสวนหลวงมานานแล้วว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบควรแก่การเคารพกราบไหว้แต่มีข้อหน้าประหลาดใจอยู่อย่างหนึ่งคือเขาว่ากันว่าคุณยายเป็นคนไม่เอาพระคือไม่ต้อนรับพระสิ่งนี้เองทำให้หลวงตาอยากรู้ว่า จะเป็นจริงหรือหรือว่ามีเหตุผลด้วยประการใดกันแน่เพราะหากเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆแล้วลักษณะเช่นนี้ไม่น่าจะมีทางเป็นได้ท่านจึงไม่ค่อยอยากจะเชื่อข่าวลือนี้นะักเหตุนี้เอง จังหวะมาถึงในคราวท่านไปกรุงเทพเพื่อดูแลอาการอาภาษณ์ของท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีซึ่งเป็นพระอุปชาของท่านเองที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อได้โอกาสอันควรท่านจึงเข้าไปเยี่ยมเยียนคุณยายถึงสำนักเขาสวนหลวงราชบรุรีด้วยตนเองเลยทีเดียว พอเข้าไปในสำนักเท่านั้นไม่นานก็มีเสียงระฆังเคาะดังกังวาลขึ้นเรียกให้บรรดาสตรีนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพากันหลังไหลมากราบท่านและให้การปฏิสันฐานต้อนรับเป็นอย่างนีโดยมีคุณยายก็อเป็นหัวหน้าอยู่ณที่นั้นด้วยหลังจากสนทนาพูดคุยกันได้ไม่นาน คุณยายกราบอาราธนาขอนิมนให้ท่านแสดงธรรมแก่เหล่าอุบาสิกานักปฏิบัติทั้งหลายท่านจึงเมตตาแสดงธรรมโดยเน้นเรื่องจิตตภาวนาเป็นสำคัญทราบว่า หลังการแสดงธรรมจบสิ้นลงคุณยายถึงกับประกาศขึ้นด้วยความอาถรรพ์ในธรรมปฏิบัติของคุณยายเองแก่บรรดาลูกศิษย์ในสำนักว่าธรรมที่ท่านอาจารย์ได้แสดงให้พวกเราฟังนั้นสามารถยึดถือเป็นหลักประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่มีผิดพลาดแม้เปอร์เซนเดียว การในครั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่ตัวท่านเองดังคำกล่าวที่ท่านเล่าให้ผู้มากราบเยี่ยมคณะหนึ่งฟังว่าที่ว่าคุณยายไม่ต้อนรับพระนั้นหมายถึงพระประเภทโกโรโกโสไม่เดือริ่มได้ราวต่างหากถ้าเป็นพระเคารพธรรมเคารพวินัย คุณยายท่านก็ไม่เป็นจะว่าอะไรแม้แต่เราเองก็ไม่ต้อนรับพระประเภทนั้นเหมือนกัน การเทศนาสอนโลกธาตุขันเครื่องมือธรรมหลวงตาเทศนาอบรมพระโดยแยกออกจากกันกับคารวาสเนื่องจากพระและคารวาส มีชีวิตความเป็นอยู่และความมุ่งมั่นต่างกันเนื้อธรรมที่แสดงจึงต่างกันออกไปหากแสดงธรรมรุมรวมกันแล้วผลย่อมไม่เต็มที่ท่านเคยเปรียบเหมือนกับการปรุงแกงหม้อใหญ่ให้คนจำนวนมากได้รับประทานจะให้ถูกปากทุกๆคนย่อมเป็นไปไม่ได้ จากนั้นถ้ามีเวลาเหลือพอท่านจึงจะแสดงธรรมเพื่อชนกลุ่มน้อยด้วยเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงกันความสะดวกในธาตุขันเป็นสิ่งสำคัญต่อการเทศดังท่านเคยกล่าวว่าเทศของเราเวลาหนุ่มนี้ไหลเลยเวลาอัดเทพนี้กำลังเร่งเร่ง พอดีลมหายใจหมดเนื้อทำยังไม่หมดเลยต้องรีบสูดลมหายใจดังฟิ้วฟิ้ลเลยนะเสียงมันติดอยู่ในเทปนะถึงขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้โอ้ยตายเลยนี่แหละมันต่างกันนะพาดขันมันเป็นยังงั้นจริงๆนี่เทเสกอรมันไหลออกมายิ่งเทธรรมะขั้นสูงเท่าไหร่ ยิ่งฟังจนแทบไม่ทันมันเป็นจริงๆนะมันพุ่งพุ่งเลยเพราะธรรมะออกจากนี้ล้วนๆล้วนๆไม่ได้ไปคว้าคำภีนั้นคำภีนี้นีน่ออกจากนี้ธรรมะสูงเท่าไรมันยิ่งเด็ดเด็ดเด็ดยิ่งเร็วมันยิ่งพุ่งเทศนี้เร่งจนกระทั่งถึงว่าเป็นปืนกลไปเลยนี่ล่ละเวลายังหนุ่มน้อย แต่มันก็เป็นกรรมอันหนึ่งเหมือนกันพอจากนั้นมาแล้วเป็นโรคหัวใจตั้งแต่ศูนย์หมาเลยนั่นล่ละล้มไปเลยเทศนี้หยุดหมดจนกระทั่งสอง2 1 3หสิสสาพอพูดได้บ้างเล็กน้อยจาก2 0 0 6ไปถึง 2511-12 สอดบสองนี้ไม่ได้พูดเลย แม้แต่การต้อนรับแขกก็ไม่เอาหลบลีปลีกตัวไปหาอยู่ในป่าในรกไปซุ่มๆุ่ซ่อนซอนรับแขกไม่ได้พอสองพันห้าร้อยสิบสามสิบสี่ไปแล้วก็มีเทศได้บ้างเล็กน้อยจนกระทั่งถึงสองพันห้าร้อยยี่สิบที่ลงหนังสือเล่มธรรมชุดเตรียมพร้อมและ หนังสือศาสนาอยู่ที่ไหนที่ออกมาเนี่ยเทศสอนตั้งเกือบร้อยกันเทศสอนทุกวันนั่นหละเริ่มเทศนาละถึงไม่เข้มข้นก็ตามก็เรียกว่าเริ่มเทศละจากนั้นมาก็ค่อยไปเรื่อยๆหากอยู่ในเกณฑ์ระหว่างโรคหัวใจนี้อยู่ตลอดมันจึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ที่จะเทศเด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนเหมือนแต่ก่อนโอ้ไม่ได้ว่างั้นเลยจึงต้องลดลงนี่ก็เรียกว่าเป็นกรรมอันหนึ่งเหมือนกันหากว่าร่างกายนี้มันพร้อมมาตลอดแล้วการเทศนี้รู้สึกว่าจะกว้างขวางมากเพราะเทศไม่มีหยุดนิ่ง น, นะที่หยุดก็หยุดเพราะโรคต่างหากโรคบีบบังคับ หยุดไปสักพักหนึ่งถึงมาเริ่มออกเทศะก่อนจริงๆพูดได้จริงๆเพราะเราเทศอย่างนั้นจริงๆมันเป็นในนิสัยจิตใจของเรานี่เองเทศออกมานี้ไม่ได้บีบไม่ได้บังคับมันหากเป็นของมันเองยิ่งเทศภาคปฏิบัติด้วยแล้วมันยิ่งไหลเลยนะ ร่องที่สุดเลยพุ่งพุ่งพุ่งเลยสัญญาไม่เที่ยง นับแต่ปี 2,539 เป็นต้นมาท่านจึงงดเทศอบรมพระเนนในวัดและการนิมนต์ไปเทศข้างนอกนั้นท่านงดมาตั้งแต่ปี 2,535 ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าไปเทศที่นู่นก็เทศลำบากมาก ไปก็ไม่ได้พักทั้งวันเหนื่อยแล้วความจําเทศไปก็หลงเอาไปถึงไหนแล้วละ่ะว่าอย่างนี้แล้วอยู่บนธรมาฒนั่นลืมแล้วไม่ทราบเทศเรื่องอะไรมาเอาตั้งใหม่ตั้งใหม่อย่างนั้นนะเดีย๋ยวนี้ความจําไม่เป็นท่ามันไม่เอาไหนแล้วความจําขันห้า เป็นเครื่องมือของกิเลสด้วยเป็นทั้งเครื่องมือของธรรมด้วยเวลากิเลสเป็นเจ้าของมันก็เอาเป็นเครื่องมือสนุกฟัดเบี่ยงกันทีนี้มาเป็นเครื่องมือของธรรมธรรมก็นํามาใช้สิก็ใช้ขันอันเดียวกันนี้เป็นแต่เพียงว่าธรรมท่านไม่ยึดเท่านั้นเองกิเลสมันยึดเป็นของมันขันห้าทั้งหมดเป็นของกิเลสทั้งหมด พิเรยึดแต่ทำท่านไม่ยึดใช้เป็นเครื่องมือเฉยๆต่างกันเท่านั้นเองแต่ต้องเอาขันห้าเทศมันชมรุษตรงไหนก็ไม่สะดวกตรงนั้นแหละอย่างเช่นความจำนี้เทศไปเทศไปมันหลงลืมไปแล้วจะเอาอะไรมาเทศต่อกันไปเมื่อเงื่อนต้นหลงลืมไปแล้ว จะต่อไปหาเงื่อนปลายยังไงได้จำไม่ได้ก็ตั้งใหม่มันก็เป็นแบบใหม่ไปอีกเทศที่ไหนที่ไหนเขานิมนต์ไปที่ไหนไม่เอาแล้วเทศลำบากเหนื่อยทั้งความจดจำก็ยิ่งเลวลงทุกวันทุกวัน ทหารสู่สมรภูมริรบท่านกล่าวถึงครับที่มาขออยู่ศึกษากับท่านดังนี้พระมาอยู่สถานที่นี้ทั่วประเทศไทยมีทุกภาคปริญญาตรีก็มีโทก็มีเอกก็มีและนายพันนายพลมาบวชอยู่นี้ก็มี พระมาอยู่ที่นี่ท่านมาเพื่ออะไรท่านมาเพื่อประพฤติปฏิบัติศึกษาปรารภจากครูบาอาจารย์จริงๆดูภาคกลางจะมากกว่าเพื่อนที่นี่ภาคอื่นๆก็มีหมดทุกภาคเลยนะวัดนี้ไม่มีภาคไหนต่อภาคไหนเป็นชาติไทยด้วยกันด้วยเป็นลูกศิษย์สถาคตศักกยบุตรด้วย จึงไม่มีคำว่าชาติชั้นวันนัทภาคนั้นภาคนี้เป็นลูกชาวไทยอันเดียวกันเป็นลูกชาวพุทธอันเดียวกันท่านมาเพื่อศึกษาปรารภตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติจริงๆเราก็ได้อุตสาหพยายามฟังสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถที่ว่าโรคของเรากาเริบกาเริบทางหัวใจนี้ เราก็ยังมีความแน่ใจอยู่ว่าคงเกี่ยวกับเรื่องการแนะนำสั่งสอนนี้เองเป็นสำคัญอันหนึ่งเพราะการสั่งสอนพระย่อมใช้กำลังวังชาซุ้มเสียงดังเน้นหนักเผ็ดร้อนมากกว่าการสอนคใครๆในบรรดาประชาชนและพระเนนทั้งหลาย เพราะเหตุไรเพราะพระที่มาสู่วัดป่าบ้านตาดนี้ส่วนมากมีแต่พระกรรมฐานตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติถ้าเราจะเทียบแล้วก็เหมือนกับทหารที่เข้าสู่แนวรบแล้วการยื่นศาสตราวุธหรืออุบายวิธีการต่างๆให้ทหารที่เข้าสู่แนวรบย่อมจะยื่นแต่สิ่งสำคัญสำคัญ อาวุธก็เป็นอาวุธที่ทันสมัยอุบายก็อุบายที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ที่จะได้ชัยชนะมาสู่บ้านเมืองอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะอุบายต่างๆที่จะแสดงให้บรรดาพระทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆเข้ามาสู่สถานที่นี้ได้ยินได้ฟังก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น การพูดการเทศนาว่าการต่างๆตลอดถึงส่มเสียงโวหารสำนวนต่างๆจึงมีแต่ความเหตุร้อนไปตามๆกันหมดเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ ทำไหลพุ่งด้วยการสอนที่จริงจังบางครั้งทำให้ผู้มาใหม่เข้าใจว่าท่านดุดาในเรื่องนี้ท่านเองเคยประสบมาก่อนสมัยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นดังนี้พอไปถึงหลวงปู่มั่น มันหาที่คานไม่ได้อยู่นานเข้านานเข้ามนันรู้เวลาท่านดุดาพระเนนดุใครก็าตามดุมากดุน้อยธรรมะจะออกล้วนล้วนล้วนลว น, ลว น, ลวนมากน้อยเด็ดเท่าไรธรรมะยิ่งพุ่งยิ่งพุ่งก็หาที่ต้องติว่าเป็นตัญหาประเภทใดไม่ได้เด็ดเท่าใดธรรมะยิ่งออกพุ่งพุ่งแล้ว เราก็ปรับตัวของเราตลอดเวลาปรับตัวของเราอยู่เรื่อยๆจึงค่อยเข้ากันได้เข้าใจเรื่องของท่านสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่มันเหมือนกับขาดอะไรถ้าเป็นอาหารก็ขาดอะไรอย่างนั้นนะมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าได้ยินเสียงเปรี่ยงดังเปรี่ยงปรางเอาละสิถ้าเป็นฝนก็ฟ้าร้องแล้ว เตรียมหาอะไรมารองรับอันนี้เด็ดเท่าไหร่ธรรมะยิ่งไหลออกมาเลยมันก็ยิ่งอบอุ่นนะท่านดุอย่างนี้มันไม่ใช่ดุเลยย้อนหลังกลับมามันมีแต่กําลังของธรรมล้วนๆ น, นี่เป็นความเมตตาล้วนๆไม่ใช่ท่านดุนะมันก็จับได้เลยคือตริยาท่านแสดงเอาขันนี้ใช้ ขันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสมาดั้งเดิมพอกิเลสมดุดมอดไปหมดแล้วธรรมก็เอาขันนี้เป็นเครื่องมือกริยาท่าทางขึงขังตึงตังจึงเป็นเหมือนกับกิเลสเพราะมันมีเครื่องมืออันเดียวกันแต่อันนี้มันเป็นพลังของธรรมเด็ดเท่าไหร่ยิ่งมีจะเรื่องของธรรมล้วน ออกมากริยาคล้ายคลึงกันเมื่อมันรู้แล้วมันก็ยอมรับนะสิว่าอ๋อเราก็เลยเทียบได้เลยว่าเหมือนกับถังน้ำสองถังนี้ถังนี้เต็มไปด้วยน้ำที่สกปรกน้ำเต็มแต่สกปรกทั้งถัง ถังนี้น้ำสะอาดเต็มที่มาเปิดน้ำทั้งสองถังนี้ออกดูสิทีนี้เวลาเปิดแรงเท่าไหร่สมมุติเราเปิดถังสกปรกก่อนนะเราเปิดน้อยออกน้อยเปิดมากออกมากเปิดเท่าไหรมันก็พุ่งพุ่งออกไปเท่าไหรมันมีแต่น้ำสกปรก กว้างขวางขนาดไหนมีแต่สกป ร, รกเลอะเทอะไปหมดเลยทีนี้เปิดถังน้ําที่สะอาดเปิดขนาดไหนเปิดเต็มที่มันก็ออกเต็มที่เหมือนกันแต่เป็นน้ําที่สะอาดทั้งหมดนะเนะมันต่างกันต่างกันอย่างนั้นนะ อบรมพระเนนภายในวัดป่าบ้านตาดมีธรรมะจุดสำคัญที่ท่านจะเน้นย้ำอยู่เสมอดังนี้เน้นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา ไม่มีความสงบเลยไม่มีความหมายว่างั้นเลยนะสมบัติทางโลกเขาคือเงินทองข้าวของฝึกรามบ้านช่องสมบัติของพระก็คือศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานนั่นสมบัติของพระเป็นอย่างนั้นนะนี่มันมาแย่งงานของโลกมาใช้ในวัดในว่าในพระในเนร เวลานี้ทำจึงหมดความหมายไปทุกวันทุกวันนี่หละที่เรียกว่ากิเลสมันแย่งดูเอาสิไม่มีใครคิดนะว่ากิเลสเข้าตีตลาดตีแบบไหนเวลานี้มันกาลังตีแหลกหมดไม่เลือกว่าวัดว่าวาประชาชนญาติโยมตีแหลกไปาตามๆกันหมดไม่ได้ยกโทษ พูดตามหลักความจริงเพราะแบบแผนตำรับตำราเครื่องยืนยันกันมีอยู่นั่นเอาอันนั้นออกมากลางสี่ออกนอกลู่นอกทางของหลักธรรมที่ชอบธรรมแล้วมันก็รู้ทันทีทันทีในตำรับตำราท่านโหท่านเอาจริงเอาจังเน้นหนัก งานของพระไม่มีอะไรเกินการอยู่ในป่าในเขาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาที่อยู่ของพระผู้มุ่งต่อมรรคผลนิพพานตามทางศาสดาจริงๆท่านสอนอย่างนั้นนี่นะเราเห็นได้ตามตำ ร, ราเนี่ยมีมากต่อมากพูดตั้งแต่เรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชําระกิเล พอพระเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าจะรับสั่งทันทีเลยเป็นยังไงไปอยู่ที่นั่นนั่นหมายถึงว่าที่ภาวนานะไปอยู่ที่นั่นภาวนาเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงจากนั้นพระองค์ก็ประทานโอวาท พูดคุยกันเป็นอัจเป็นธรรมนี่เป็นงานของพระพุทธเจ้างานของสาวกที่เกี่ยวข้องกันเป็นอย่างนั้นเรื่องอัดเรื่องธรรมล้วนๆไม่มีอะไรเข้ามาเจือปนเลยถ้าสมัยปัจจุบันก็หลวงปู่มั่น นี่ก็เหมือนกันตรงเป๋งเลยเชียวไม่มีจะพูดเรื่องโลกเรื่องสงสารไม่เคยพูดอะไรอะไรก็มีจะพูดเรื่องอัดเรื่องทมเรื่องที่ทําความภาคความเพียรท่านพูดกันอย่างนั้นคุยกันกี่ชั่วโมงก็ตามมีแต่เรื่องอัดเรื่องทำล้วนๆฟังแล้วรื่นเริงรื่นเริงนั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะนี่แหละช้ำ ทำออกก้าวเดินเป็นอย่างนั้นกิเลสออกก้าวเดินกิเลสออกตีตลาดคำพูดคำจาจะเป็นเรื่องของกิเลสของการบ้านการเมืองความได้ความเสียการซื้อการขายเรื่องหญิงเรื่องชายไปหมดนี่คือกิเลสออกตีตลาดงานของพระที่ว่าให้ทำอย่างนั้นก็กลายเป็นงานก่อสร้างไปหมดนั่ง หรูร า, ฟ, ฟ, าฟุ่มเฟือยแล้วเอามาแข่งขันกันวัดนั้นสวยวัดนี้งามวัตถุเครื่องก่อสร้างต่างๆสวยงามเท่าไหร่ยิ่งเป็นที่เกรงขามบะฟังสิหนะกิเลสมันเอาให้เป็นที่เกรงขามไปได้นะมันแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นละ่ะยิ่งหรูหราฟู่ฟ้าสวยงามเท่าไหร่ยิ่งเป็นเครื่องประดับวัดวาอาวาสนี่ละ่ะ กิเลสเข้าไปประดับล้านทั้งภายนอกทั้งภายในไม่เพียงประดับล้านเฉยๆข้างนอกนี่หลอกไว้แบบหนึ่งข้างในก็หลอกไว้อีกแบบหนึ่งมันเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนรส่วนครวา่าศเขาไม่ต้องพูดละ่ะเขาไม่มีแบบมีฉบับพระเรานี้มีแบบมีฉบับควรจะได้แบบฉบับอันดีงาม มาประดับตนและสั่งสอนประชาชนมันกลับได้เรื่องเขาเรื่องเราพอๆกันเสียอันนี้ก็ไม่ทราบจะสอนกันได้ลงคออย่างไงเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาจะไปสอนกันได้ลงคออย่างไงผู้ฟังจะมาเอาความแน่ใจมาจากไหนมันก็พอๆกัน